ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนคือความไม่เที่ยงคือของจริงส่วนมากคนก็จะมองแบบนี้ความไม่เที่ยงคือของจริงสเพสั่งข้าราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทีนี้ความไม่เที่ยงคือความจริงแต่มนุษย์เรากลับชอบความเที่ยง คือถ้าอะไรถูกใจแล้วก็อยากได้แบบนั้นไม่อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นถ้าเปลี่ยนแปลงก็รู้ว่าเป็นทุกข์มันยึดในความเปลี่ยนแปลงถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เราไม่ยึดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะชีวิตเนี่ยยึบยึดในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีไว้เพื่อรู้ไม่วิ่งตามมัน อายตนะคือตาหูจมูกเล่นกายใจมีหน้าที่รับรู้มีหน้าที่ดูมีหน้าที่เห็นมีหน้าที่ยินได้ฟังเขามีหน้าที่ของเขาน่ะไม่ใช่ใจเนี่ยใจหรือความที่คนทั้งหลายเรียกกันว่าจิตเนี่ยที่มีหน้าที่คือมันรับรู้จิตก็มีหน้าที่รับรู้กาก็มีหน้าที่รับรู้ โนวิญญาณเนี่ยมีหน้าที่รูนะ้ไม่ใช่มีหน้าที่คิดนะรู้แล้วก็ดับไปรู้แต่ว่าอุปทานเนี่ยทำหน้าที่ยึดตรงที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันมันไม่ใช่ตรงที่มันรับรู้นะแต่ตรงที่มันเป็นตัวยึดเนี่ยแหละตาโซรถรถเร่งผ่านไปเนี่ยเห็นรถไม่ต้องไปยึดมันมันไม่ยึดนะรถเลยไม่ทุกข์ เพราะมันไม่ได้แบกใส่ตาไว้ไม่ได้ยึดไว้แต่กี่ครั้งแล้วที่มันวิ่งผ่านตาไปเนี่ยกี่คนแล้วที่ผ่านเข้ามาในตาเนี่ยก็รับรู้มันกันหมดนะแต่สิ่งที่ผ่านเข้าไปในใจใจนี่กับยึดไม่หมดนะมันชอบอะไรมันก็เก็บเอาไว้เราไม่เคยพูดว่าชอบตาชอบหูส่วนมากจะว่าชอบใจใจมันชอบมันจะยึดไว้ ทีนี้คนเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะยึดถ้ารับรู้เฉยๆมันทําหน้าที่ของมันเฉยๆมันก็ไม่ทุกข์นะไอ้ที่มันทุกข์มันไม่ทําหน้าที่ของมันเฉยๆนี่แหละมันไหลไปสู่ตัวปรุงแต่งตัวคิดเพิ่มตัวเติมแล้วตัวอุปาทานขันมันรับรู้อะไรมันไม่ได้จบตัวนั้นเน่ยมันยึดออกมาเป็นตัวเราของเราอือ มันกลายมาเป็นความยึดมั่นถือมัน่นมันไม่ปล่อยไม่วางเพราะมันชอบบางทีมันก็ไม่ชอบนะถ้าไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลส ก, ก็ไม่ชอบถ้าถูกใจก็ชอบสรุปก็คือยึดเอาเป็นตัวตนของตัวเองยึดทั้งความชอบก็เป็นโลภะยึดเอาความไม่ชอบก็เป็นโทสะมันมีสองอันนี่แหละชอบกับไม่ชอบเนี่ยสองอันนี้มาจากไหนมาจากตัวโมหะ มีพื้นฐานจิตดเดิมๆ ม, มันมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็ตัวเราคือถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวตนเนี่ยเป็นกูเป็นอะไรประมาณเนี่ยมันจะยึดติดทันทีมันจะกลายเป็นความรักความชังขึ้นมาทันทีใจเนี่ยมันจะเกิดชังคนอื่นรักคนอื่นวัตถุอื่นสิ่งของอื่นขึ้นมา เพราะเราเห็นว่าเป็นตัวตนถ้ามีตัวตนมีตัวเราเนี่ยเราจะจะมีอันอื่นขึ้นมาเป็นของเราในทีถ้ามีตัวตนนะของตนจะตามมามนนมันมีความชอบนี่แหละเดี๋ยวความชังก็ตามมามีความโกรธมีความโลภเนี่ยมีตัณหาตามมาในทีมีตัณหามีโลภโกรธก็จะเกิดนะแต่สุดท้ายคือ หลงนี่ทำหน้าที่อย่างมั่นคงยึดถืออย่างมั่นคงติดในคันธันดานปัญหามันคือตรงนี้แหละตรงที่เราจิตเราเนี่ยมันเป็นตัวตนเราถึงเวลาจิตมันเป็นตัวตนคือมันคิดขึ้นมาแล้วมันติดอารมณ์มันไม่ออกนะตัวตนตัวทุกข์นั้นจะปรากฏขึ้นตัวสุขเกิดขึ้นตัวทุกข์เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าประสบกับอะไรก็ตามนะตั้งตาหูจมกูกเล่นกายจิตมันแปลแปลค่าเป็นความสุขทันทีเป็นความทุกข์ทันทีมันเข้ามาทันทีถ้าเป็นตัวต น, นมันจะมีควาสุขได้เสียเนี่ยเนี่ยแม้จะไปบินธบาตเราเองก็จะมีความสุขวันนี้ได้ภูมิใจวันนี้ไม่ได้เสียใจเนี่ย ได้เกินไปหนักแล้วไอ้กูไม่พอใจวันนี้ทุกข์ใจถ้าได้เบาๆได้พอดีได้ของดีๆหน่อยอาหารอันประณีตโภชนะอันงามหน่อยโอ้ดีใจจิตมันขึ้นๆลงๆมีความรู้สึกแบบนั้น่ะมันไม่ใช่เป็นว่าเดินเพื่อเดิน่นะได้คือได้ไม่ได้คือได้ได้คือไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะจิตดังนั้นบางที มันเหมือนกับหัวเรือนะ่ะเราฟังมาแบบหนึง่งแต่จิตมันเขวไปอีกแบบหนึง่งเราก็พยายามผลักหัวเรือให้มันตรงตรงต้องคิดแบบเนี้ยต้องคิดแบบ น, บบนี้ถ้าไม่คิดแบบนั้นกูเป็นทุกนะบอกมึงกูเป็นทุกนะมึงเป็นทุกนะรู้สึกนะนะตัวตนทั้งหมดเนี่ยชีวิตเราร่วมกันนะนะถ้าเธอคิดได้ฉันทุกทันทีนะพงษ์ศาสตร์นะมันจะไหลเข้าไปสู่กระแสความเป็นตัวเป็นตน มันมีอย่างหนึ่งก็คือเอาทํำยังไงอ่ะไม่อย่างมันเป็นตัวตนก็คืออย่าหลงไปคิดเนะี่ยอย่าหลงไปคิดทีนี้แกจะเป็นต้องคิดแหละคิดอย่างไม่มีอุปทานน่ะคิดดูนหน่อยคิดอย่างไม่มีอุปทานคิดไม่อย่างไม่มีอุปทานก็แกเป็นความเกิดดับของขันตามธรร ม, รมชาติมันขันเกิดดับตามธรรมชาติไม่ได้เกิดดับเพราะจากที่ได้ตนหาอุปทานนะความทุกข์มันก็ไม่มีเนะ่ เพราะถ้ามันดับเนี่ยมันดับด้วยปราฏจากการยึดการเกิดก็เกิดปราศจากการยึดเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ละชีวิตเนี่ยมันทุกข์เพราะว่าตัวนี้มันไปยึดนะบางทีบางคนคิดเป็นทุกข์บางคนไม่คิดไม่เป็นทุกข์นะยึดความรู้สึกอันนั้นถูกอันนี้ผิดทุกทันทีนะถเรายึดมันผิดนะด้วยปรัมัตธสัจจะเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะ มันไม่มีวิดมีถูกนะเป็นศัพทแต่ว่าวัตถุปรมัตอาการเท่านั้นเองวัตถุปรมัตอาการคือความนิ่งของจิตตัวเราเองแต่ก่อนนั้นก็คือรูปนามเป็นเพียงรูปเพียงนามเพียงรูปนามเฉยๆเกิดดับถ้าสมาธิดีเหนก็เพียงธาตุขันเกิดดับเอาปรมัตเป็นศัพท์แต่ว่าจิตเนี่ยมันจิตเข้าถึงปรมัตคือมันมีสมาธิตั้งมันของมันเอง แล้วเห็นกาการดับไปกระทบปัจจสัทุกอันเนี่ยอืเป็นเพียงรูปมีเราปัจจสัเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ยจิตเอจิตคือตัวรู้เนี่ยมีอยู่เจตสิกคืออารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตเห็นไว้นั่นแหะแล้วก็รูปเห็นเป็นเพียงรูปนะแล้วก็ดับไปจิตเจตสิกรูปนิพานถึงหมายถึง อาการของสติที่เรามารับรู้มันอย่เฉยๆเห็นนะอจิตมีอยู่อิติจิตตันติวัตนะสติมันสวดไปเมื่อกี้ปัจจุปฏิตาหัวติก็แหละสติความระลึกว่าจิตมีอยู่ดังนี้เป็นสติที่เธอดํารงไว้ที่เราระลึกไว้ที่เรากําหนดรู้ไว้ที่มันคงอยู่เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่อระลึกเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาอาศัยจิตนี้เกิด จิตเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองทำหน้านที่เขาตามปกติก็จึงเรียกว่าสภาวะส่วนปรมาสุนะ่ะสภาวะส่วนปรมาสุทิคือจิตเจตสิกรูปนิพพานแม้มันจะยังนิพพานไม่ถาวรก็เป็นต้นกําเนิดเกิดความสงบสงัดลงไปเรื่อยๆจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปเห็นการดับ สลายของรูปความสลายของรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปปัจจัตังขมคูความสลายของรูปเป็นอย่างนี้เห็นความสลายเห็นความเกิดความสลายเน่นี้คือกระทบตาก็กลับไปว่าถ้าถ้าวิธีปฏิบัติก็จะเป็นถ้าเอาให้ง่ายๆก็คือ จิตมันมีสมาธิอยู่กระทบปัสสะยังไงมันก็ไม่ปรุงเป็นตัวตนขึ้นมากระทบยังไงมันก็ไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวทุกข์ขึ้นมานะ่ะคือมันคิดไม่ยาวภาษาเราเรียกนะจิตนี้คิดไม่ยาวมันสั้นๆอืมแล้วมันก็ดับไปกระทบปัสสะแล้วมันก็ดับไปอ ม, มันก็มีแค่นั้นนะทุกอย่างเนี่ยมันจะประมาณนั้นถ้าจิต รู้ปรมัตีเนี่ยคือมันรู้อาการไปเนี่ยกระทบปัจจุมันมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไอ้ตัวสมาธิเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นสัมมาก็ต้องเกิดจากการฝึกสติเห็นแต่ถ้าอยู่ไปกดจิตเอาเลยเนี่ยปรากฏว่าความเชื่อทั้งหลายจะฝังอยู่ในใจเหมือนเดิมเนี่ยความเชื่อในจิตเราเนี่ยจะฝังอยู่ในใจเหมือนเดิมเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธ์เชื่อเออะไรนะเชื่อของเชื่ออะไรอย่างที่เราว่ากัน อันนั้นเป็นอย่างโน้นอันนี้เป็นบาปเก่าบุญใหม่เกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้เชื่อจิตเชื่อวิญญาณเชื่อนนเชื่อนี่ที่คนปฏิบัติทมแล้วบางทีมันไม่ก้าวหน้าก็เป็นแบบนี้แหลนะมีความเชื่องมงายอยู่ที่บางทีเราปฏิบัตินา น, านๆก็ยังมีความเชื่อความม ง, งายเพราะเว ร, ราะมันไม่รู้จักปรมัตธิธรรมแต่บางคนแค่ฟังเฉยๆเนี่ย เขาก็ถอนหน้าตาตัว ต, วตวนออกได้นะความเชื่อแบบงมงายคือแค่เราไม่รู้สึกตัวความงมงายจะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบหลับนะปฏ mm. ิบัติธรรแล้วหลับอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะปรากฏเกิดขึ้นกับเขาความเชื่อแบบเนี้ยเพราะว่าสมาธิเขาไม่ดีพอไม่ดีพอที่จะมันเป็นปรามัตทัสภาวะได้ ไม่ได้เกิดจากการตัวระ ล, ลึกรู้ระลึกรู้ที่เห็นทุกเกิดของเขาเนี่ยแก้ทุกระ ล, ลึกรู้แก้ทุกระ ล, ลึกรู้แก้ทุกถ้าการแก้ทุกที่ยากๆได้ปุ๊บไอ้ความแก้ทุกได้ใ น, นระดับที่ความเชื่อของเราเองก็จะหลุดหายไปเหมือนกันนะนี่ยความที่ความทุกที่เกิดจากความเชื่อความปรุงแต่งของเราเองเนี่ยมันก็จะหลุดหาย สลายไปได้เหมือนกันทีนี้มันเป็นที่มาของความตั้งมัน่นแห่งใจที่ว่าสเพ ธ, ธมะนาัตาเนี่ยจะเริ่มปรากฏสเพสังาราณิจาร์เนี่ยมันเริ่มมีอ่ยคือมันไม่ยึดอะไรอะไรมันก็หายไปทีนี้มันก็เป็นขันลุนล้ว น, วนเป็นอายตนะลุนล้วน จนพระพุทธองค์ท่านก็เรียกบางทีทา่านก็เรียกว่าอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานตานิพพานห Stephan, ูนิพพานจมูกนิพนกายใจมันสงบแล้วมันนิพพานแล้วมันไม่ร้อนเหมือนก่อนแต่เมื่อก่อนเป็นตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายจิตเป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะมันร้อนร้อนรุ่มขึ้นมานั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราทันความคิดทันอารมณ์มันก็สงบบางทีเราหลงหลงไปกับมันหนะลงเข้าไปสู่ความเป็นตัวตนหลงโกรธคนนั้นหลงเกลียดคนนี้ไอตัวหลงเนี่ยสำคัญตัวหลงโกรธล้มโลปหนึ่ง หลงรูปหลงนามเนี่ยอันนี้นสําคัญมันทําให้เป็นทุกข์อันเนี้ยแต่เราก็ยังหลงกันอยู่ดีอต้องสังเกตดูอาทิตย์นี้หลงไหมให้ทันมัน ไ, ไว้ๆอย่าให้มันเป็นตัวตนนะเป็นตัวตนตัวตนก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในใจนั่นแหละะคนให้อารมณ์อยู่เรื่อยคนให้อารมณ์ประมัดก็คือจิตเป็นสมาธิอยู่เรื่อย สมาธิเรื่อยๆตื่นนอนมาก็มีสมาธินอนก็มีสมาธิคนมีสมาธิชื่อว่ามีปัญญาถ้ามันไม่มีสมาธิมันดับความคิดไม่ได้นะคนมีสมาธิชื่อว่ามีปัญญาคนมีปัญญาปัญญาเห็นทุกข์แล้วจิตมันจึงเป็นสมาธินนเนี่ยเพราะนั้นสมาธิกับปัญญาเทพจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ย ถามว่าเราทำให้ได้อารมณ์ได้ไหมถ้าทาให้ได้อารมณ์ได้สัมาทิมีปัญญามีอารมณ์มีจิตมันก็ผ่องใสได้โดยธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรวิ่งเขาวิ่งออกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ไ้มีอะไรวิ่งเขาวิ่งออกก็เย็นเด็ดทางไม่ค่อยได้ใช้ทางม่ค่อยได้ใช้ทุกข์ก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าทางเา้าเที่ยวอยู่บ่อยๆเนี่ย โอ้ยตาก็ทุกเปิดตาหูก็ทุกเป่าหูเนู่นะตัวประทานมันพาวิ่งเขาวิ่งหงอกวิ่งเขาวิ่งออกโอ้ยชอบอันนี้โอ้ยชังอันนั้นเนี่ยดังนั้นปยายามระลึกรู้ในอายตนะทั้งหลายเวลาผัสสะก็ดีไม่ผัสสะก็ตามนะมนุษิญญาณมนุษ์สัญจตนาะมโนสัมผัสชาเวทนาะปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเอาจนหูชาตาชาจมูกชานะ จะคูดสัมผัสชาเลยแปลตามภาษาพันเราก็คือโอ้มันรับรู้จนมันชานมันดิ้นมันดา น, นคนปฏิบัติธรรมเจริญสติแล้วจึงเห็นว่าอาบัตเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยไปเรื่องที่น่ากลัวเพราะเลยเพราะต้องการรักษาตาสำรวมแหละที่นี่รักษาหูสำรวมหูการกินการดื่มการนอนเ น, นี่ยนะ การผัดสะการใช้ชีวิตนะก็จะเป็นไปตามเนี้ยมันมีประมาณนี้นะชีวิตเราตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์เราไปดูดีอาบัตสองร้ยีสิบเ็ดข้อมีอะไรมีจะพูดถึงเรื่องตานะหูได้ยินได้ฟังอันนั้นอันนี้เก็บมาทุกจมูกเนี่ย ป้องกันไม่ให้ทำอันนั้นอันนี้จะใช้น้ำอบน้ำหอมน้ำน้นี่อะไรพวกนี้ลิ้นเรื่องการกินเรื่องการกินนั้นก็จะสอนกินแบบนี้นโภชนะปฏิสังยุทธเนี่ยแล้วก็การแสดงทำธรรมเทศนาปฏิสังยุทธ์ควรจะแสดงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แบบเนี้แล้วก็เสือเเส้อผ้าปรจแจสีเนี่ยเสื้อผ้า เสื้อ้าที่อยู่อาศัยจึงมีคําว่านิสสกีอาบันนิสสกีก็คื อ, อย้ายมันสละสักลงมาในกางใจทุกอารมณ์นะย้ายมันฝังนิสสกีแปลว่าสละักสิ่งที่ต้องสละสละกออกตัวนี้ก็สละกออกตัวนั้นก็ปล่อยออกว่างออกได้ผ้ามาเกินไปก็ตอ้องนิสสกีอือันนั้นก็ต้องนิสสกีอันนี้ก็ต้องนิสสกี นะเดี๋ยวนี้ของเรามันเข้ามาแล้วมันไม่ใช่นิสสกีนะมันไม่ใช่นะมันปักลงในใจสิ่งที่มันปักใจนะ่ะเขาเรียกว่านิสสกีนะนะเดีนี้ถ้าอยากให้มันออกหนีก็คือต้องเป็นปฏินิสสโคปฏินิสสกนะีสลัดออกสลัดทิง้งนะเดี๋ยวนี้มันเป็นนิสสกีเอาฝังลงในใจเรา สักลงไปแล้วะในใจเราเนี่ยไม่มันมีเนี่ยไดนะ้ผ้าเกินสามผืนเป็นอธติเรกบาทอัติเรกจีวรเนี่ยเก็ต้องทิ้งต้องสละเพราะในเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นมูลฐานก่อกำเนิดเกิดเป็นตัวตนทําให้เรารักเราหลงมนันอ่ะมีบาทดีก็อยากได้ที่อยู่ดีก็อยากได้นะวัตถุสิ่งของเพียงตั้งฟูก อาสนะปะ็เรียกว่สันท ะ, ะก่อกำเนิดเกิดโวยขนเทียมผ้าไหมเจือดำอะไรตัวเขียวแบบนู้นแบบนี้อาสนะคือคงคงจะดีอ่ะเห็นไหมที่เรานั่งเนี่ยหลายหลายคนก็ชอบนะชอบอาสนะส่วนตัวชอบทำนู่นนั่นนั่นพราะเราพูจะนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสร้างจังหวะ น, นั่งสมาธิได้สะดวกสบายขึ้นก็จัดทำอย่างดีเลยอาสนะเนี่ สมัยก่อนลงตาก็ทำไม่ได้อยู่ในป่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยเห็นพ่อป้าทำต้นหูกว้างเนี่ยต้นหูกว้างตัวไหนที่มันใหญ่มากๆใหญ่มากๆด่างไม้ไผ่เกาะเขียวแล้วดึงลงมาดึงมาแล้วตัดเป็นสี่เหลี่ยมหูกว้างนี่นะกระเช้าสีดาเนี่ยสบายสีดาถ้าเป็นสี่เหลี่ยม พิสเสียมีมันสามารนั่งได้สบายนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรสะดวกสบายนี่จะไปไหนมันก็เฮ้ยนึกถึงอันนี้อันนั่งอันนั้นน่าสบายดีนั่งอันนั้นนิ่มดีเนี่ยเห็นไหมถ้ามันมีสะดวกสบายมึงก็จะเริ่มติดละที่นั่งกูอาสนะกูไม่แต่ที่เดินจงกลมมึงที่เราก็ยังหวงนะยังหึงนะเพราะเราก็าเออเดินตัวนี้มั น, มนดีคนอื่นเดินเนี่ย มันจะเริ่มไม่พอใจแหละในความยึดมั่นถือมันมาแต่ที่ทำอะไรได้ถูกใจแล้วเป็นเหละถูกกิเลสเนี่ยมันหึงหวงก็จำเป็นจะต้องเอาอะไรล่ะนิสคีทิ้งทิ้งทิ้ ง, งวางวางวา ง, วางสลัดยีวอนได้มาก็ต้องวิกลับให้เป็นสองสองเจ้าของเนี่ยที่ปกติเรากลับมาเป็นของของเดียวของอต้องวิกลับนะเนี่ย ต้องมีกลับต้องปินทุต้องอธิษฐานเนี่ยประมาณนึงเพราะถ้ามันสองเจ้าของเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะถ้าจะใช้ก็ต้องไปขอคนนั้นออกขอยืมเนี่ยวันนี้จะใส่ออกงานลเลยเด้ประมาณนึงแต่ถ้าเป็นของของคนเดียวใช้ตลอดนี่มันก็สะสมเด้สะสมอาหารเดี๋ยวนี้มีของกระป๋องมีของอะไรต่างๆวัตถุเนี่ยวัตถุสิ่งของมันมีเนี่ยเราก็เก็บไว้สะสมไว้ สะสมอืมีวอนเสื้อผ้าอันนี้พูดถึงค า, าวาะเขาก็ผิดเต็มเปี่ยมเขาสะสมเยอะมากแล้วมีความสุขกับการนุ่งส่งเสื้อผ้าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเสื้อผ้าดีๆก็ ด, ด, ด, ดีก็ชอบไประยับนึงพอมันไม่ดีหน่อยเอาเปลี่ยนแปลงไปเอาเสื้อผ้าขาดขาดมาใส่ขาตรงหัวเข่าขาดตรงดากแล้วปรมาณมันรู้สึกมีความสุข คือมาปรุงแต่งจิตตัวเอง น, นั่นเองแหละถ้าคนอื่นดูคนอื่นเห็นนั่นเลยรู้สูชอบใจพอใจขึ้นมาจิตนี้มันจะเป็นอย่างนั้นแหะมันมีอุปทานกับเครื่องนุ่งเครื่องถือนะพวกนี้ยอาหารการกินมีตู้เย็นเนาะปัวันเนี่ยยจะเป็นอย่างนั้นเป็นต้นโอ้ยอ้าว่าใส่ ย, ยาใส่นู่นใส่นี่เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันทันมันไหมความคิดตัวตนเนี่ยอัตตาทั้งหลายนี่ถ้าไม่ทันมันก็ะเย็นนะ นแต่อย่างนี้เราก็มีศีลเป็นตัวกําหนดบทบาทของความคิดความยึดมั่นถือมันว่ายอย่าเลยเถิดเกินนี่นะศีล227ข้อะหรืออาจจะมากกว่านั้นอย่างที่พูดไปว่าศีลนี่มันมีทั้งมาในพระปาติโมกและไม่ได้มาในพระปาติโมกเมื่อวานเป็นวงปู่สดก็ว่าอยากคุยเรื่องศีลมานอกพระปาติโมกให้พระทั้งหลายะจะได้ตักเตือนส่วนมาก แต่ว่าดูแล้วศักยภาพการฟังไม่มีจะ ง, ง, งุดหิดมากกว่าอยากกลับวัดมากกว่าอยากโน่นอยากนี้มากกว่าอคือว่านานก็ไม่ได้ว่าน้อยไม่รู้เรื่องคือมันก็เลยอยู่กับความโง่ไปวันๆทีวิตนีอยา่างพวกเรามาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดอยู่วามีความตั้งใจที่จะฟังนะเขามาฟังถ้าพูดอะไรก็ได้ไม่พูดก็ได้คือพร้อมอันนี้มันมีความพร้อม แต่พระสงฆ์เออเจ้าไปลอโวสถไม่มีความพร้อมในการฟังการศึกษานะการเรียนรู้โดยเฉพาะถ้าฟังเทศมันจะไม่อยากฟังเพราะมันไม่ใช่พระจริงๆไงนะเขาไม่ใช่พระจริงๆกับพระจริงๆเนี่ยจะอยากฟังพระสัจธรรมฟังที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตเราเหมือนเราอยู่ในยี่มืดเราก็ต้องส่องหาทางออกเนี่ยเวลาคนเมาพูดอะไรให้ฟังไปทางโน้นทางนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาชี้นําชี้แนะบอกกล่าวว่า ไปทางไหนบอกผลท่านโอ้ยตาตั้งเลยเจอคนเราดีใจแทบตายบางทีโอ้ยดีใจแล้วจะหายหลงละเนี่ยจะประสงค์ของเจ้าจเราไม่มีไม่มีปฏิกิริยาแบบนั้นขึ้นมาในจิตเนี่ยไม่มีความโชคดีสมานั้นจะทัศนนังการเพราะเป็นผู้สงบสงัดเนี่ยเป็นเรื่องโชคดีไม่ใช่ที่ีพอเราได้มาบวชเองมีความรู้สึกว่าน่าจะภูมิใจนะ น่าจะภูมิใจว่าชีวิตมันเป็นยังไงเราเคยคิดไหมภูมิใจไหมที่เราห่มผ้าเขาห่ผมผ้าเหลืองครั้งแรกเนี่ยนปัจจุบันล่ะปัจจุบันเป็นความเคยชินไปแล้วมันไม่มีความสุขกับการนุ่งกมมนันห่มอะไรรู้สึกเป็นธรรมดาไปหมดนะเป็นธรรมดาเมื่อที่ร้อนหรือซําไปเน่ะผ้าเหลืองร้อนร้อนผ้าเหลืองอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ต้องมันให แต่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติปรากฏเกิดดับไม่ใชไปยึดเอานะที่อยู่อาศัยก็อีกประเด็นหนึ่งละ่ะที่เรามีความหึงความหวงความหวังมันเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละดีตรงนี้ใหม่ดีตรงนั้นชอบตรงนี้ไม่ชอบไปทันดีนะจิตเนี่ยมันแกวนเรื่องชอบไม่ชอบเนี่ยมีส่วนยังไงอะ ความชอบชอบบางทีเขาเรียกสัมมาสัมมาแปลว่าชอบสัมมาวาจาพูดชอบเจริญใจชอบทีนี้ชอบที่อยู่ <c oughs> ชอบที่อยู่ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าที่เอามันพอสะดวกสบายตัวนี้ห่มผ้าไม่หยาบจนเกินไปไม่ใช่ผ้ากระสอบการยืนการเดินรู้สึกว่าสะดวกขึ้นมาหน่อยไม่กระทบผิวอะไรมากมายเอาพออยู่ได้ ที่อยู่อาศัยล่ะเอาพ่อหลับพ่อนอนไม่ต้องมาผวากับฝน ล, ลมฟ้าอากาศเอาดีมันมีความมั่นคงก็เอามาเป็ียนไปเพื่อการทําความเพียรนี่แหละะเพียรถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงแต่ถ้าได้ถึงแล้วก็เป็นแหล่งสําหรับสําราญอิริยบทอิริยาบทเราง่ายขึ้นหน่อยมันผ่อนคลายมันดูดี เอานอนก็ไม่ต้องซ่อมอันนี้ไม่ต้องระหวัดระแวงอันโน้นไม่มีมด ม, มีแมงมีจะเก็บตะขาบเขามายุ่งกับชีวิตอามดก็ดีไปอ่ะทีนี้จะรักษาโรคนี่คือปัญหาละอันหนึง่งถ้าอายุแก่ๆเยอะๆเข้ามาคนใหนชอบกินยงกินยารู้ทันดีอ่ะมั น, นมเริ่มละเริ่มห่วงร่างกายสังขารยึดมัน่นหรือมั่นกับมันมากใหม่บางทีก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะความจําเป็นกับความไม่จําเป็นเนี่ย มันวัดที่สมาธิเนี่ยถ้าใครสมาธิดีไม่ค่อยได้สนใจ เ, เรื่องผู้นี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าคนไหนไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะสนใจมากเอาใจใส่เรื่องกายเพราะว่าเหมือนถูกต้องอะไรประมาณนั้นถูกต้องตามกฎหมายถ้าเคลื่อนไหวหรือฉันปรุงแต่งคิดถึงเรื่องกายฉันรู้สึกมันถูกต้องนะฮะไม่ได้คิดว่าเป็นศัพท์ว่าขันศัพท์ว่าธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปนะ่นบางที ถ้าเรากำลังเดินอยู่ในมรรคถ้าสามารถประคองจิตสามารถดูในสิ่งที่จิตมันมายึดอยู่กับกายนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตแยกวทนาสัญญาอารมณ์แยกธรรมชาติกับสมมุตินี่ออกจากกันได้เลยเกิดสว่างขึ้นมาดีแค่ไหนฉะนั้นที่อยู่อาศัยเ ส, สนาสนะกยาย ยารักษาโลกนี่ก็ยากมันติดนะไม่รู้จะทำไงมันติดเราไปเจอหลายๆคนก็มีโอ้อยา ก, กินดีๆทั้งนั้นมีแต่ยา ก, กินดีๆมันติดนะตีร่างกายสังขารนี้ต้องดำรงอยู่เพราะอันนั้นอันนี้มันเนเคเป็นศักแต่ว่านะสักแต่ว่าไม่ได้ใจใสโรตาไมียาโยมันถวาย เป็นหมื่นวนวลมั้งไม่ได้กินเนี่ยในปัจจุบันตัวนั้นกับพันตัวนี้กับสี่พันตัวนั้นกับสามพันเลยวะเน่ยถ้าว่าสําคัญร่างกาย ด, มมดีมันไม่ดีอ่ะนะมันไม่ดีแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่กับมันเท่าไหร่หรอกมันไม่ดีก็รู้เนี่ยเอาพอได้ที่เป็นบาทเป็นแผลก็รักษากไปต่ำเลนรู้แต่เห็นนะนะเห็นพระเห็นเนรเราเวลา รับบาดเจ็บมะโนนี่ก็คือทำใจเป็นก็ทำได้ก็ภูมิใจนะไม่ได้โวยวายไม่ได้คิดติดอารมณ์โกรธคนนั่นเกลียดคนนี้เออเรายังดีคล้ายๆว่าเหมือนลงตาปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันออกดอกให้เราเดินไปชมต้นไม้เนะโอ้ยสวยงามเนาะดอกนี่ดอกพระดอกเมจีดอกเนนเอวลาเกิดปัญหาเวทนาติดจับเนี่ยผ่านได้ นะไม่ติดอารมณ์ไม่งุหงิดไม่อะไรรู้สึกว่ า, าตั้งมั่นดีแล้วก็ดีใหญจนะว่ามันออกดอกได้คนนี้ใช้งานก็นไม่ค่อยงุหงิดนะเนี่ยเอา้ามาปฏิบัติทำไม่มี น, นิวรณ์แล้วคนเนี้ยนิวรณ์หมดแล้ว่หรือแต่ตัวร่อนจนหรือตั ว, ต, วตัวจิตเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเออเขามีสมาธิปล่อยวางได้บ้างแล้วมีสมาธิก็เหมือนว่ามีปัญญาล่ะมีปัญญาระดับหนึง่งแต่ว่าปัญญา ะที่เราต้องเดินบางทียิ่งเรามีความอยากก็ยิ่งยากมีความอยากความยากเั็นตัวแต่ก็ไม่หนีหนีไม่พ้นความเพี่ยนพยายามเมื่อเราตามหาอะไรึ่งอยากหยุดไม่หยุดเดิน่ตามหาวัวก็ไม่หยุดเดินตามหาตามหะไม่ต้องเจอวัววัวไปทางไหนอ่มันไปทางไหนไปทางปรุงแต่งอื ต้องตามไม่อยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวเฉยๆเดีวัวตัวนี้มันมาเองวัวเหมือนจิตสติก็คือเชือกจริงๆถ้าเห็นวัวก็เห็นเชือกนะถ้าเห็นเชือกก็เห็นวัวแต่เชือกนี่เราไม่ได้จับไงไม่ได้จับสติเนี่ยมันไม่ได้ไปผูกกับวัวซะวัวก็เลยไปยแล้วแต่มันจะพาไปไหนเราก็เหลือจะอยู่กับกา ย, ยานี้อยู่กับกายได้ลึกรู้อยู่กับแหล่งของมันเนี่ย ทัวกับเชือกมันขาดไปแล้วไม่ได้กําหนดรู้อะไรเลยมันก็เข้าไปกินข้าวกินกล้าในนาของคนน้นคนนี้ไปทั่วเลยแหละผักพืชผั ก, ก, กสวนเขาจิตของเราไปหาคิดไปทั่วมันไปไกลมันไม่อยู่กับปัจจุบันก็เลยเพราะว่าหลักมันไม่แน่นการกําหนดรู้เราฟันเชือกอะไรก็ไม่แข็งแรงคือตัวรู้เราเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันก็ตกทีเดียวมันขาดไปหมดเลยก็ตุกทีเดียวขาด จิตมันอ่อนนะนะงนั้นเราก็ให้เวลากับชีวิตรเราในการที่จะทํามาเนี้ยหลวงตาว่าอยู่ทางโลกเนี่ยอยู่จากนี้ไปถึงตายก็ท ร, รมานนะแต่เขาไม่รู้อะเหมือนสัตว์นรกเนี่ทรมานมากพอเราอยู่ในวัดปฏิบัติทำเราจะมีท ร, รมานอันเดียวท ร, รมานอันท ร, รมานต่อสู้กับความคิดแต่ว่าการได้เห็นอยู่ได้เรื่อยรู้อยู่ได้เรื่อยมันก็ทําให้ลดลงลดลงลดลงเราสังเกต ด, ดูดีคนเก่าๆมาปีนี้กับงูยีกตีครั้ง นะโกรธกี่ครั้งอา้าวพัสสาก่อนแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะมันเลจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้ามันดีแท้ๆก็เออดีแท้ก็คือนิพานนั่นแหละนิพานน่นคือดีแท้ดีนอ้อดีจริงๆนะมันนิพานละอายตนะนิพานมันสงบสงัดเราไม่ได้ทุกข์เพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะจิตที่สุดมันคือเพราะจิตนะ่ะ ตาเนี่ยอาจจะส ง, งบหูจมูกลิ้นกายส ง, งบได้แต่ถ้าส ง, งบจริงๆคือส ง, งบที่จิตให้จิตมันส ง, งบจิตส ง, งบส ง, งัดจิตปกติเราเห็นไม่เพื่าจิตปกติวันทีมันไม่ปกติจิตเนี่ยอืมที่สุดของความปกติคือจิตเมื่อจิตปกติเมื่อไหร่นั่นแหละคือนิพพานโดยตรง น, นั้นหาให้ดีนะปกติโดยปีติปกติโดยศีล โ, โดยสมาธิโดยปัญญาโดย วิมุต์หลุดพ้นโดยชำระหล้างอุปทานออกไปนนั้นวิมุต์จริงๆสงบจริงๆแล้วไหว้พระพร้อมกัน